วันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราเป็นวันเดือนสองเพนปี2550ที่พวกเราฟังสวดพระปฏิโมกจบรงสักครู่นี้แต่เป็นภาษาบาลีพวกเราฟังก็คงจะไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นภาษาบาลี แต่พวกเราอยากจะรู้เรื่องว่าบาลีที่สวดลงจบลงสักครู่นี้สวดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรอใ น, นพวกเราดูในพระปฏิโมกแปลถฐาเนเล่มเล็กๆจะมีด้านหนึ่งอัดด้านหนึ่งแปลตรงข้ามกันแค่ว่าแปลเป็นสิกขบทสิทขบทเป็นข้อขอเป็นมาตรามาตราทว่าเป็นกฎหมาย มาตรากฎหมายมาตราที่เท่านี้นะอันนี้เราว่าสิกขาบทในพวินัยว่าสิกขาบทสิกขาบทที่1ของปาราชิกมีอยู่4ข้อสิกขาบทของสังฆาทิเศตมี13ข้อสิกขาบทของอนยศมี2ข้อสิกขาบทของนิสกิยปาจิตติีสามี30ข้อสิกขาบทของปาจิตติมีเก้าสิข้อ สิกขาบทของปฏิเทศนิยะสมีสข้อสิกขาบทของเสกียวัตมีเจดห้าข้ อ, อแล้วก็อธิกรณะสมถะมีเจนี่แหละอันนี้ก็คือที่สวดจบลงสักครู่นี้นะที่พวกเรานั่งปโนมึงฟังตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงจบสุดท้ายอั น, นว่าท่าน สวดทบทวนลึกศินของพระ227สิกขาบท227มาตรา227ศี22ินของพระที่พวกเราได้ศึกษาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นอกจากนั้นหนวสินอภิสมาจารย์ยังมีอีกมากแต่ในศินมาในพระปฏิโมกทุก15วัน กลางเดือนปลายเดือนฟังกันมาอยู่สม่ำเสมอตลอดแต่ถ้าหากว่าไม่ฟังพระปฏิโมกถ้าพระครบสี่องค์แล้วไม่ลงปฏิโมกไม่สวดพระปฏิโมกไม่ให้ความสำคัญในวันอุโบสถปรับอ้าบัตทุกกฎแก่สงฆ์กลุ่มนั้นแก่สงฆ์พวกนั้นแปลว่าตำแหน่งตำแหน่งในสงฆ์กลุ่มนั้นทำไม่ถูกต้องทำให้ศาสนา พุทธศาสนามัวหมองไม่ให้ความสำคัญในวันอุโบสถอันนี้ก็คือพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายถึงวันอุโบสถจึงลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกผู้ที่สวดก็สวดเป็นภาษาบาลีอย่างสุนาตุเมพันเตสังโคนพวกเราคงจะไม่เข้าใจแต่พวกเราไปอ่านตัวแปล ภาษาบาลีนั้นพวกเราจะรู้ความหมายว่าวง์ที่สวดนั้นสวดเรื่องอะไรเพราะนั้นพวกเราก็ต้องศึกษานะเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาให้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพระเก่าสมควรอย่างยิ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจอ่านแล้วอ่านอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกพระวินัยไม่เช่าอ่านครั้งเดียวแล้วก็จกไม่ใช่หน้าที่ของข้าข้าไม่ใช่หน้าที่ ผลที่สุดเขบอกว่าข้ามีศินสองี่สิบข้อมีอะไรปังยักไม่รู้นีอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องอธิบายให้เขาฟังได้ว่าสินของข้ามี227ข้อข้อที่หนึ่งหมวดที่1ว่าไงหมวดที่2ว่าไงอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังปาราชิกสีมีกี่ข้อสังฆาธิเศษมีกี่ข้ออเนยตมีกี่ข้อนิจกีปัจจิติมีกี่ข้ออย่างเนี่ยเป็นต้นนะเราต้อง รู้วัตถินของเรามีกี่หมวดมีกี่หมู่มีกี่กลุ่มจากนั้นก็ศึกษาแต่ละข้อแต่ละสิกขาบทให้เข้าใจอย่างว่าเป็นผู้มีศิลครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ใช่ว่ารักษาศิลไม่รู้จกักศิลของตนเองอเหมือนกับเรามีวัวอยู่227ตัวเราไม่รู้ว่า ว, วัวของเราสีอะไรบ้างอย่างนี้มันก็จะว่ายอย่างไง เขาจะขโมยหรือเขาจะหายไปที่ไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าให้ขาดตกบกพ่องนะในเมื่อเรารักษาศีลดีแล้วการกระทําของเราถูกต้องแล้วใครๆเห็นก็หน้าเคารพหน้านับถือน่ากราบไหว้สักการบูชา เพราะเป็นพระที่มีศีลแต่พวกเราทำออกนอกรูนอกทางเป็นพระไม่มีศีลแล้วผู้ที่ท่านรู้รู้เรื่องของศีลท่านก็ตำหนิได้แล้วกับพี่น้องประชาชนคนพุทธบริษัทมองเห็นแล้วก็ดูแล้วก็ไม่งามไม่เกิดศรัทธาในเมื่อเห็นพระสงฆ์ทาไม่ถูกต้อง ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเลื่อมใสยอยู่แล้วก็เสื่อมศรัทธาเพราะเป็นพระที่ไม่มีศีลผู้ที่ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเพราะว่าเห็นพระการกระทําของพระแย่กว่าตัวเองแย่กว่าตัวของเราที่ไม่ได้บวชอีกต่างหากเพราะนั้นศีลของพระจึงสมควรอย่างยิ่งพวกเราควรจะตรวจตราไว้อยู่เสมอในเมื่อเราทําดีแล้ว พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสศรัทธาผู้มีความเลื่อมใสยอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสจริงๆขึ้นไปเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงบัญญัติหรือว่าแนะนําพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีศีลพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นภาษาบาลีขึ้นว่าธรรมะและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเป็นอันว่าศีลเป็นเครื่องบ่งบอกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพระเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้แสดงว่าศีลเป็นสิน่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ายกประเด็นเป็นประเด็นหลักให้พวกเราเข้าใจพระศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องบ่งบอกของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่มีศีลไม่มีเครื่องบ่งบอกแล้วพุทธศาสนาก็หมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มาในบวชในพุทธศาสนาเก่าใหม่ก็ให้ช่วยกันพยายามปรับปรุงกายวาจาของเราให้เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ อย่าให้ขาดตกบก้ร่องเมื่อเราได้รู้ได้ศึกษาแล้วก็นํามาประพุติปฏิบัติกายวาจาของเราครับเราเป็นผู้มีศีลแล้วใจของเราก็อบอุ่นสงบร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็พยายามปรับปรุงใจของเราทีนี้เมื่อกายของเราเข้าสู่ระบบดีแล้วก็ปรับปรุงใจใจคือใจที่เป็นหัวหน้าในร่างกายของเราเนี่ยคือใจคือความนึกคิดความนึกคิดความรู้ต่างๆ เรื่องรู้เรื่องต่างๆนั่นแหละคือใจ เ, เมื่อกายของเราเราคิดออกไปจะทําสิ่งไหนเราเออมันผิดศีลนะเราทําไม่ได้เอจะพูดอย่างนี้ออกไปไม่ได้นะเราผิดศีลนะนนคล้คยาว่าเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ใจพูดทําออกไป เ, เป็นรั้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดรา ว, ว่างั้นจ่ะสองข้างสองฝากทางจากนั้นใจของเราคัน อ, ออก ไม่ได้ออกน อ, อกรั้วไม่ได้เราก็เดินตามที่รั้วกั้นไปแล้วจากนั้นเราก็เดินไปตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเดินมาทางนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะเราก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าให้คิดคิดอะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้วันนั้นน่ะยึดวันนั้นแ่ะวันที่ท่านได้ตัดสรู้นั่นแหละ ไม่ต้องยึดวันอื่นวันก่อนหน้านั้นท่านทําอะไรเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรถ้าเราไปศึกษาเขาทําอะไรบ้างตั้งแต่เขาเริ่มคิดตั้งแต่เขาเริ่มผสมสารเคมุงเคมีตัวนั้นตัวนี้จุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่เราให้ศึกษาว่าเมื่อเขาคิดจบลงแล้ววิทยาศาสตร์เขาคิดได้สูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อโลกแล้วนั่นแหละเราสนใจจุดนั้นที่วิทย า, าศาสตร์เขาคิดสูตรตัวนี้ขึ้นมาเขาคิดยังไงยาผสมตัวไหนบ้างมันจะเกิดออกมาอย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยตัวผู้ใช้อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้สนใจแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติแต่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมในคืนวันนั้นในเย็นวันนั้น ในคืนวันเดือน6กเพนนนั้นท่านปฏิบัติอะไรท่านก็สอนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือหลักหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นวันวันแรกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้มีสติกับลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาปุ่งฟุ้งไปทางไหนพยายามดึงกลับมาอย่าให้มันคิดปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกให้สติอยู่กับตัวเองสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเรานั่งอยู่ในสถานะไหนเร า, านั่งอยู่อย่างไรอย่างนี้สติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรานั่งอยู่ยังไงเมื่อระลึกได้แล้วก็สัมปชัญญะก็ต่อสรุปแล้วก็คือสติญญคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ตามไม่จริงมันก็ใกล้เคียงกันมากนะแต่ตามไม่จริงท่านก็แยกให้เห็นชัดเจนอีกว่าสติ คืออะไรสัมปัญญะคืออะไรในตัวของเราจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสตินี่แหละเป็นพื้นฐานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะทุกองนะที่เขามาศึกษาในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันดับแรกก็คือให้เป็นผู้มีศีลก่อนอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องตน้นถ้าศีลดีแล้วนะเราจะนั่งสมาธิากับไปได้ดีเหมือนกับมี รั้วเรา2 2 7ทั้งสองข้างเราก็เดินตรงกลางเพราะไม่มีสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนตัวของเราเพราะสินเป็นรั้วกั้นไว้อยู่แล้วเพราะเราไม่ออกนอกรูกนอกทางผิดสินจากนั้นเราก็เดินตามสินพระพุทธเจ้าที่ท่านกั้นเอาไว้แล้วเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้สมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพิจารณาใจอยู่กับตัวเองแล้ว พิจารณาทางด้านปัญญาพุทองค์ให้พิจารณาอะไรนะเราก็พิจารณาตามที่พระพุทธเจา้าให้พิจารณาท่านให้กรรมฐานห้าอย่างพวกเราได้บวชมาเยเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านต้องเรียนกรรมฐานหาก่อนนะเกสารวมาณัขาทัานตาตะโจอันนี้ก็ให้นํามาพิจารณาเลยใช้ปัญญาเลยพิจารณาแยกแยะดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างัง แ, แต่หัวจดเท้าทําไมเราจึงหลง ร่างกายของเราว่าเป็นของเราให้พิจารณาดูจริงไหมที่พระพุทธเจ้าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็สลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอันไหนคือตัวของเราคนทั้งหลายเขาว่าเป็นตัวของเราทั้งหมดที่เกิดมาแต่ผลที่สุดก็ไม่มีใครที่จะเอาร่างกายไปด้วยในเมื่อร่างกายไปเผาไฟแล้วขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วแล้วของอย่างอื่นที่เนื่อง กับกายของเราเนะี่ยความรู้การศึกษา เ, าเงินคำทรัพ์สมบัติจดถาบรรดาศักดิ์พี่น้องลูกหลานพ่อแม่วงศากนายาตประเทศชาติบ้านเมืองโลกเป็นของเราไหมไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายแท้ๆก็ยังถูกเผาไฟทิ้งยังเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งเหล่านั้นที่เนื่องจากกายของเราจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะเออ จากนั้นเราก็พิจารณาถึงใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางที่จิตที่ใจของเราใจของเรากนไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละปล่อยวางความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราอันนี้พวดอย่างรวบรัตให้พวกเราได้ศึกษาที่ศีลเป็นมาอย่างไรสมาธิเป็นมาอย่างไรปัญญาของพระพุทธศาสนาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักไปจุดไหนท่านให้ปล่อยวางจุดไหนพวกเราก็คงจะมอง เห็นแนวแถวจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ขอให้หมู่พเพื่อนทั้งอกทั้งใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วให้พวกเราประพฤติปฏิบัติไปเถอนะพวกเราจะสงบจิตใจก็จะสงบร่อเย็นเป็นสุขในจิตในใจน ะ, ะตอนนี้ไปก็สุดท้ายปฏิโมก